วานขึ้นข้ออไรวาัวาเชจบยัจบ้ค่ะเดชชายบานีขึ้นข้อที่อะไรชัางช ว, น, ว, น, วนนะครับผู้โจเรเดินทางนะครับถือชัางชวนพุ่โจรเดินทำไรนะครับแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งใช่ไหมต้ออนบัตรปาจิตสีนะครับเป็นโจรผู้อะไรลักของหลวง หรือหลกนี้ภาษีนะครับได้ทําจรกรรมหรือยังไม่ได้ทําก็ได้แต่ที่สื่อรู้ทั้งรู้ว่าเป็นโจรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางไกลร่วมไปนะครับมีการช่าชวนกันครับคือนั่นหมายกันก่อนแล้วก็เดินทางไ ป, งไปร่วมกันนะพอเข้าเขตหนึ่งบ้านหนึ่งก็จะต้องแบบปาร์ตีทุกๆุกเขตหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับถ้าในป่าไม่มีบ้านก็ทุกๆุกกึง่งยอดใช่ไหมครับต้องแบบปาร์ตี ข้อนี้ต้องรู้ท่องรู้นะถ้าเราไม่รู้นะไม่รู้ว่าพวกข้อเป็นโจงอย่างนี้แล้วเดินทางไปด้วยกันอันนี้ก็ไม่ต้องอาบังนะครับเพราะข้อนี้เป็นสจิตกะกันนะมาดูคำอธิบายในการขานั่นสองร้อยสาสิเอ็ดนะครับข้อที่หกนะครับอธิบายเถรยาสัทธาสิกขาบทพึงสราบอธิบายในสิกขาบทที่หกต่อไป เมื่อพิสุจเข้าใจถูกต้องในกองโจรที่ป้นของหลวงหรือประสงค์จะหลบเลี่ยงภาษีนะครับต้องรู้ะนะ่าโจรอย่างนี้นคะครับก็คือขนของนีภาษีทั้งที่ได้ไปทำจรรรมมาแล้วและที่ยังไม่ได้ทำซึ่งดำเนินไปตามหนทางนคะครับชื่อว่าผู้เข้าใจว่าเป็นกองโจรในสิขาบท น, นี้นคะครับนี่นะ เขาก่อกองโจรนิ่งิีนเขาตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ที่เป็นพ้นของหลวงรือว่าหลบเลี่ยงภาษีนะครับเพิงสร้างการวินิจฉัยอาบัติในการช่ำชวนและการเดินทางไปของพิจูผู้ที่ทราบแล้วว่าคนเหล่านั้นเป็นกองโจรและยังช่ำชวนเดินทางไปร่วมกับกองโจรนั้นตามในที่กล่าวและในโอวังเทวะนะคำอธิบายก็เหมือนกับ การชชิงชวนที่ศุนีเดินทางไกลร่วมกันใช่ไหมคำยิบใบก็เหมือนตรงนั้นนะครับเปลี่ยนแต่ว่าในข้อนี้ต้องร้ทังรู้นะถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องอภาาิบัตพี่เจ็ดคำยุบาบข้างบนนะหนึ่งเขาจะเชิญชว น, นที่นี้ก็คือมีการนัดหมายกันกล่องเดินทานเงเลยนะว่าพวกเราไปกันเถอะใช่ไหมนะครับพวกเราไปด้วยกันเถอะพวกเราไปกันสิพวกคุณเจ้าแล้วก็ชชิงชวนทั้งสองฝ่ายเป็นอย่นี้ นั่นหมายพวกเราไปากนันวันนี้ไปกันวันนี้นะครับไม่ผิดนัด น, นันไม่ผิดนัด น, นะครับถ้าผิดเวลาเนี่ยก็จะไม่ต้องบัตรไปอีกทีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าผิดถนนหนทางหรือว่าผิดดงเข้าไปคนละดงเนี่ยนะผิดดงนั่ น, ะดด น, นก็ไม่จะไปตรงนี้แต่กลับไปอีกดงหนึ่ง น, นะครับแล้วก็ไปด้วยกันอันนี้นะอันนั้นก็ไม่พ้นนะคะต้องอบัตรอยู่ดีที่ไม่เปนาา็นอันบัตรคือมันผิดนั่นเวลา น, นะครับนั่นนะอันนี้นิวาสก่แล้วนะครับ เป็นทุกกฎก่อนเพราะการช่างชวนในอักปียภูมในนี้ไม่ได้พูดถึงนะถ้าในอัคกปียาภูก็คือกบียาภูม่ก่อนมีสํานักพิสุนีสถานที่ระหว่างวันคือในวัดค่ะอันนี้นะช่างชวนในสํานักพิสุนีในวันในโรงชั้นนะครับในสํานักนิรันถีอันนี้ไม่ต้องลำบากแต่ทังช่างชวนที่อื่นจะต้องบัตทุกกฎเพราะการช่างชวนก่อนอันนี้ว่าราคาเท่าไง เดี๋ยวอธิบายให้นักเอียดอีกเพียงดิข้อช่างจูนเดินทางไกลกับมาตุขามนะครับชัดเจนไปเลยเพราข้อนี้ไม่ค่อยโดด น, นะแต่ไม่ค่อยโดด น, นะครับเ mm hmm. นี่ยก็มีทคำอธิบายเป็นกในอวานเพราะว่าเกี่ยวช่างจวนพิสุีที่ว่าไปแล้วนะครับ mm hmm. เหตุกาและประเภทอาบัติสิทธาบทนี้พุงว่าคเจ้าทรงปราบโลกที่สุขผู้ไม่ปรากฏนามบางรูปในเมืองสาสมบทีทรงบญญยายไั้แล้วก็เหตุคือการช่างจวนกองโจรเดินทางไกล เป็นสาธารณบัญญัติพิสุนีก็มีครับพิสุนีก็ไม่ได้นะเนี่ยยิ่งอันตรายเลยนะครับอนันติกาไม่เกี่ยวกับใช้ต้องไปเองนะถึงต้องอนุบัตินะพวกมนุษย์ไม่ได้ช่ำชวนพิสุชวนฝ่ายเดียวก็ดีอันนี้ต้องอนุบัติก่อนะครับก็ไปชวนเข้าฝ่ายเดียวเขาได้ชวนด้วยนะแล้วก็เป็นกองจรจริงพิสุไม่แน่ใจก็ดีสองสัยนะครับสงสัยนี่ก็เป็นอนุบัตัวนี้ไม่ได้เป็นติการนะครับ เพราะว่าที่เป็นอ่านบาัตรรุ้ทั้งรู้ใช่ไหมที่เป็นไปดีถ้าสงสัยก็ทุกข์กดถ้าไม่รู้ต้องละมั้งไหมครับไม่ ร, มรู้ไม่ต้องอะไร่าน <c oughs> นะไม่ใช่กองโจรเข้าใจว่าเป็นกองโจรเนี่ยเข้าใจผิดนะั่ทั้งที่ไม่ใช่นะครับอาจจะมีหนวดมีคราวดูเหมือนโจรนี่นะ <c oughs> ถ้าไม่เข้าใจมีกองโจร น, นะครับหรือว่ามีความสงสัยกรณีแล้วก็เดินทางร่วงไปครับ อันนี้ก็ยังต้องอา่านบทุกฎ น, นะครับอานานบาทที่สูดไม่ต้องอ่าบบทเมื่อไม่ใช่กองโจนนะะร เ, โจเข้าใจว่าไม่ใช่กองโจรนะครับหรือว่าเป็นกองโจรแต่ละเข้าใจว่าไม่ใช่กองโจรอันนี้ก็ไม่ต้องอา่านบทนะครับนี่นะทไปนะครับเอ่อไปโดยไม่ได้ชั้นชัวไปต่างคนต่างเขาไปใช่ไหมหรือว่ากองโจรชวนฝ่ายเดียวที่สูดก็ไม่ได้ชวนด้วยเหรอแล้วก็ไปตามทางเขา เดี๋ยวไปไทางอะไรกันเฉยๆท่าก็ชวนไปแล้วก็ไม่รู้อะ้วแต่ครับเราไม่ชวนนี่ครับไม่ไปไหนนะครับไม่ไปตรงตามที่นัดหมายนี่นะผิดเวลาะครับเขาบอกตอนเช้าเราไปตอนบ่ายเย่างนี้นะ <S <S บอกวันนี้ไปพรุ่งนี้นะครับบอกว่าตอนเพทแล้วก็ไปก่อนเพนใช่ไหมถ้าไปก่อนเทนแต่ไปหลังเพนนี่นะครั บ, รบผิดเวลานะก็ไม่ต้องอานแบบ ไปด้วยเมื่อมีอันตรายนี่ไปได้นะครับเกิด อ, อันตรายชีวิภผ ม, มิจันนะอาจจะเกิดอันเรเหตุโกราหน์หนึ่งนั้นนะครับแล้วต้องไปถ้าไม่ไปจะมีอันตรายนี่นก็ได้นะครับและี่สูจน์ว่เป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัติอง์อาบัติสิ้าวนันนี้มีองศีเหลา่านี้คือหนึ่งเป็นกองโจรสองรู้ว่าเป็นกองโจรสา ม, มีการฉันชวนทั้งสองฝ่านยนสี่ไปตรงตามเวลาที่นัดหมาย เมื่อครบองศ์สี่ก็ต้องบัดไปตีสิกขาบท น, นี้นะครับสิกขาวันนี้จะเป็นเถอยักษัตถาสุธานอาบัดเกิดได้สองทางคือกายกับจิตแล้วก็ทางกายวาจากับจิตคนนี้ก็มีจิตใช่ไหมต้องรู้นะครับกายคือชวนด้วยกายไปด้วยกายนี่นั่นะถ้ากายวาจาจิตจิตมีแน่นอนอยู่แล้ววาจาก็ชวนใช่ไหมครับกายก็ออกไปด้วยกั น, นะะอันนี้ครบเลยนะ ก็เลยได้สองสมมตฐานนะครับเป็นกิริยาต้องเข้ากระทําสัญญาวิโมกขอนได้เพราะไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าเป็นโจรไม่ต้องอาบัติสจิตตกะ น, นะครับนะต้องรู้เท่านั้นจึงจะต้องอาบัตินะครับปัญญติวัชชะไม่ได้เป็นอุปสงค์ตัวอยงเดียวกายกรรมก็ได้นะครับชวนด้วยการจะด้วยการใช่ไหมวจีกรรมก็ได้มีจิตสามีวิหาราสาอะไร จบการที่บายเธอยากัทธาศึกษาบทจบนะครับ